ขอน้อบน้อมต่อคุณพระรัต <c oughs> นไตรข่าวกาศพระจา์ไพศาลพระเทลานุเถระ <c oughs> เพื่อนสัตธรมิกทุกท่านจเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่าน <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะซึ่งก็ตรงกับวันออกพรรษาซึ่งเป็นวันที่ถือว่ามีความสำคัญมากอยู่วันหนึ่งนะ <c oughs> วันนี้ก็มีประเภณนี้อยู่อย่างหนึ่งคือการตักบาตรเ ท, ทโวโลหะนะครันนี้การตักบาตรนี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรหรือเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะก็จะย้อนเล่าไปตรงนี้นิดนึ่งในสมัยพุทธกาลในครั้งนั้นมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งก็อยากจะรู้ว่ามีพาาระหันในโลกนี้อยู่ไหม นะก็เลยเทำบาทด้วยไม้จันแดงขึ้นมาซึ่งเป็นของที่มีค่า <c oughs> แล้วก็นำไปแขวนไว้บนยอดไม้สูงแล้วก็ประกาศว่ า, าถ้าในโลกนี้มีพระอรหันต์อยู่จริงแล้วนะก็ขอให้มานำบาทนี้ลงมาเถิดเมื่อประกาศไปแล้วก็มีพวกเดรรเดรรถนะีก็ต้องการที่จะล า, าบสักล <c oughs> าบสักการะที่เกิดขึ้นนะ จากการนั้นนะก็เลยทําท่าว่าจะเหาะขึ้นไปเอาม้าจันแดงแต่ลูกศิษย์ก็มาคอยห้ามไว้อยู่เรื่อยๆว่าอย่าขึ้นไปเลยอันนี้ไม่มีประโยชน์อะไรนะมาหวังกับสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องไปทําเหล่านั้นหรอกนะก็แสดงกันอยู่แบบเนี้ยแต่ก็ไม่ได้ขึ้นไปสักทีหนึ่งก็ยังไม่มีใครที่จะแสดงออกว่าเออเห ข, ขึ้นไม่เอาได้สักครั้งหนึ่ง จนผ่านมาเจ็ดวันผ่านมาเจ็ดวันครั้งนี้ก็อพระโมคคะนาละพระปินโทนภาระทะวราชก็ได้ปรึกษากันว่าไปเอาบาทลงมาแล้วกันนะเพราะว่ามหาชนก็ได้เห็นว่ามีพระอรหันต์อยู่จริงก็เลยตกลงให้พระปินโทนภาระทะวาชะหาะขึ้นไปเอาท่านก็หาะขึ้นไปเอาลงมาได้นะ ความนี้ก็ทราบไปถึงผู้เจ้าผู้เจ้าก็เลยประชุมสงฆ์บอกว่าการที่ไปทำเช่นนั้นไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะกับพระทำให้ผู้ที่ไม่เลื่อมใสทําให้ผู้ที่เลื่อมใสก็จะไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนาแล้วก็บอกว่าให้เอาไม้จันแดงนั้นไปบดให้ละเอียดเอาไปทาเป็นยาหยดตา อันแล้วก็ห้ามพระภิกษุษสงฆ์แสดงอิทธิฤทธิปาฏิหารใดๆทั้งสิ้นอันนี้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันก็ตรงข้ามเหมืนทุกวันนี้นะบางทีก็จะมีหลายๆอย่างที่ตรงกันข้ามกันก็เลยห้ามเอาไว้หลังจากนั้นกลุ่มเดลทีก็เลยได้ใจเห็นว่าเอตอนนี้อพระนี้ก็คงจะไม่แสดงอิทธิฤทธิแล้วตัวเองก็จะได้ ประกาศสักดาได้เต็มที่ก็เลยเที่ยวประกาศว่าอืตอนนี้พระนี่แบบไม่ไม่ดีแล้วไม่เก่งแล้วนะไม่มีธิริษอะไรแล้วนะแสดงอะไรไม่ได้แล้วส่วนพวกเองก็จะแสดงส่วนพวกตัวเองก็จะแสดงได้นะอิทธิฤทธิ์ต่างๆมากมายนะแต่ว่าไม่อยากแสดงเองนะหลังจากนั้นก็เลยท้าท้ากับพระพุทธเจ้าว่าเออถ้าแน่จริงก็ให้มาแสดงฤทธิ์แข่งกัน พระเจ้าก็เลยรับคําท้าตอนนั้นพระเจ้าพิมิสารก็ไปถามพระเจ้าว่าทําไมอห้ามแสดงฤทธิ์แล้วทําไมถึงพระองค์จะรับคําท้าแสดงฤทธิ์ได้พระองค์ก็บอกว่าการห้ามนั้นก็ห้ามเฉพาะสาวกนะแต่ไม่ได้ห้ามพระองค์ด้วยก็จะแสดงฤทธิ์นะภายในอีกไม่นานเนี่ยประมาณสามเดือนทอี่กรุงสาวัตถีอันเป็นเมืองของพระเจ้าประเสนทิโกศลใต้ก้นมะม่วง ครั้นี้พวกดีลาทธได้ฟังเช่นนั้นก็ก็เลยไปจ้างคนให้ไปทำลายต้นมะม่วงทุกต้นเลยไม่ให้มีเหลืออยู่ <c oughs> ครั้งนี้พอถึงวันวันที่ครบกำหนดปรากฏว่ามีชายที่เฝ้าสวนก็นำลูกมะม่วงมาถวายพระเจ้าพระเจ้าก็เลยให้ไปคั้น ทำเป็นน้ำปานนะแล้วก็เอาเม็ดมะม่วงในบอกให้ไปปลูกพอปลูกแล้วก็ปรากฏว่ากลายเป็นตนน้นมะม่วงขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้ส่งแสดงย ม, มกปฏิหารในวันนั้นนะย ม, มกปฏิหารก็คือการแสดงฤทธิ์ที่สามารถทําในสิ่งที่ตรงข้ามได้นะเช่นทําให้เกิดไฟและน้ําออกมาจากทวาวรพร้อมๆกัน หลังจากที่ทรงแสดงยมกปริหารแล้วก็มีอประชาชนเกิดความเลื่อมใสเปน็นอันมากเมื่อหลังจากที่แสดงยมกปริหารแล้วก็เป็นประเพณีของอผู้เจ้าทุตพระองค์ว่าเมื่อแสดงแล้วเนี่ยก็จะไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงดึเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยไปเสด็จไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงดึไปโปรดพุทธมารดาซึ่งขณะนั้นออยู่ที่ชั้นดุสิตแต่ก็ได้มาแสดงธรรมที่ชั้นดาวดึง ให้กับพระมารดาและเทพเทวดาทั้งหลายฟังคราวนี้เมื่อแสดงธรรมแล้วครบสามเดือนก็เป็นวันออกพรรษาประชาชนก็รู้ข่าวในครั้งนี้ว่าพระเจ้าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์แล้วเนี่ยก็เลยมารอต้อนรับกันไปจํานวนมากก็เตรียมตัวที่จะใส่บาตรกันนะก็คือเนี่ยใส่บาตรตัด บ, บาตรเทโวโลโหณนะก็คือวันนี้นะวันออกพรรษา ที่พระเจ้าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์แล้วก็พระส ก, กะเทวราชหรือพระอนนินก็เลยเนรมิตบันไดแก้วบันไดทองและบันไดเงินพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาอันนี้ก็เป็นประเพณีอย่างหนึ่งในการที่ตัดบาดเทวโวกันซึ่งประเพณีทุกวันนี้ก็ยังมีวัดต่างๆทำกันอยู่มากมายนะโดยเฉพาะวัดบางแห่งเช่นวัดสแกกลังที่อุทัยธา น, นีก็เป็นจัดเป็นงานใหญ่ เพราะว่ามีสถานที่ที่เหมาะสมมีภูเขาพอดีก็ทำบันไดลงมาจากภูเขาแล้วก็มีจัดรูปแบบมันก็เป็นอัญเชิญพุทุรูป <c oughs> ลงมาก่อนนะมันก็พระเจ้าเสด็จลงมาแล้วก็มีพราหมณ์เดินตามมามีคนรอใส่บาตรกันมากมายนะมีไปจัดที่ต่างๆทั่วประเทศเลยนะไปรวมกันที่นั่นเพื่อรอใส่บาตรกันแล้ววัดต่างๆก็มีกันเยอะถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญในการ อออกพรรษาแล้วก็ที่น่าแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือวันเนี้ยวันออกพรรษานี้ก็จะมีบั้งไฟพญานาคด้วยนะบั้งไฟพญานาคนี้ก็เกิดขึ้นในแถวรูปแ ม, ม่น้ําโขงอซึ่งก็เป็นเรื่องที่ลึกลับอ่าซึ่งยังพิสูจน์มาไม่ได้ทุกวันนี้นะก็จะเป็นลูกไฟลูกไฟสีชมพูขึ้นมาจากในท้องแม่น้ําโขง กลางแม่น้ำโขงเลยแล้วก็พุ่งขึ้นบนบนทองฟ้าก็สูงมากนะเพราะว่าเคยไปดูมาอยู่ <c oughs> สูงมากทีเดียวสูงสูงกว่าสุขตึกสิบชั้นเด็กพุ่งขึ้นไปแล้วก็ไม่มีเสียงดังก็หายวับไปบนทองฟ้าเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีการย้อนกลับไม่มีการตีโค้งลงมาคือหายรับไปบนทองฟ้ามืนมื น, มนหายไปเลยไม่มีเสียงดังนะก็เป็นเรื่องแปลกมากนะแล้ว บังไฟนี้ก็จะเกิดขึ้นเฉพาะวันออกพรรษาเท่านั้นะไม่ได้เกิดขึ้นในวันอื่นก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นไปได้อย่างไระแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะในปัจจุบันนี้นะก็มีการอ่าถามอคนทั้งคนแก่ที่อายุมากแล้วเก้าสิบกว่าเ <c oughs> ขาบอกเขาเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะบางไฟเนี่ยเห็นมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ามหาัศจรรย์ทําไมต้องมาเกิดตรงกับ วันออกพรรษาพอดีนะแล้วก็มีการเล่าขานไว้จริงๆแล้วอ่าสะดือของบาดาลก็คืออยู่ที่จังหวัดบึงการนะก็คืออําเภอหนองอําเภอบึงการเก่าจังหวัดหนองคายอยู่แถวนั้นเพรข้อนั้นก็บางไปก็จะเกิดทั่วๆไปในแม่น้ําโขงนะก็เกิดหลายจังหวัดด้วยครัวนี้ก็มีความเป็นมาว่า การที่เกิดบั้งไฟพญานาคนั้นก็เพราะว่าพญานาคเนี่ยก็ต้องการที่จะรับเสด็จจากพระพุทธเจ้าที่เสด็จลงมาจากสวรรค์ด้วยชันดาวดึงแต่ว่าไม่มีโอกาสมาใส่บาตรก็เลยจุดบังไฟเพื่อที่จะฉลองรับเสด็จในวันนั้นครั้นี้บังไฟพญานาคเนี่ยเกิดจาพญานาคจริงไหมนะบางคนก็จะคิดเป็นความงมงายแต่จริงๆแล้วประวัติเกี่ยวกับ พญานาคเนี่ยกับผู้สานานนี่มีสืบกันมายาวนานมากนะมีหลายหลายเรื่องหลายตอนทีเดียวนะเช่นตอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสร้อ ใ, ใหม่ก็มีพญานาคบูจลินก็มาแผ่พังพาลที่จะป้องกันฝนให้กับพระพุทธเจ้าซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นท่าองค์หนึ่งคือปางนาคปกสําหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์แล้วถ้าไปเที่ยวที่อินเดียที่พุทธกยาก็จะมีสระอยู่เขาเรียกว่าสระบูจลิน ที่กลางสาลก็จะมีอ่ะพบรูปพรพุรูปปากนากปกเนี่ยก็มี <c oughs> พระนาคปกเป็นพญานาคเนี่ยก็อที่มาแผ่ลังพันเหนือพระพุรูปอยู่ที่กลางสาลมุจลินนั้นอยู่นะอันนี้ก็เป็นตำนานความเชื่อแล้วก็ในพุทธวัดก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะก็อ่มีพญานาคนี่แหละมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนามากอยากจะเข้ามาบวช แต่ถ้ามาบวชเนี่ยทั้งที่ไปพญยายนาคเนี่ยคงจะบวชไม่ได้แน่นอนนะเพราะว่าเป็นสตตัตว์เดรัจฉานแต่ว่าไม่ใช่สตชตัตว์เดรัจฉานอย่างเดียวนะก็เป็นเป็นกึ่งเทพและกึ่งสตตัตว์เดรัจฉานซึ่งมีฤทธิ์อยู่แล้วนะก็สามารถที่จะแปลงตัวเป็นมนุษย์ได้นะก็เลยแปลงตัวเป็นมนุษย์น้อยนะเข้ามาขอบวชนะครนนี้เวลากลางคืนนอนอยู่ในกุฏินะก็ก็เลยทําให้ขาดสติก็เลยกลายเป็นพญายนาค นอนอยู่อ่พอดีมีพระก็มาเห็นก็เลยไปบอกไปแจ้งอกับองค์หนึ่งบอกว่าเนี้เป็นพญานาคไม่ใช่เป็นคนก็เลยบวชไม่ได้เลยบวดไม่ได้เพราะว่าเป็นเซตสักไดชาร์ตนี่บวชไม่ได้ครัน้นี้อันนี้มันมีอยู่จริงไหมนะเพราะทุกวันนี้นเวลาพระจะบวชก็จะมีการถามอันตรายเยอะกระทถามว่ามนุษย์โสดซิเธอเป็นมนุษย์หรือ ทั้งๆทีกเราก็เห็นอยู่ตอนหน้าว่าเขาก็เป็นมนุษย์นั่นเองแต่ก็ทํำไมถามว่าเป็นมนุษย์โสซิหรือเป็นมนุษย์หรือแสดงว่าอาจจะมีผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์ก็ได้ที่มาแปลงเป็นมนุษย์นี่แหละเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีเขาเรื่องจริงอยู่นะไม่งั้นก็จะถามเรื่องนี้ทําไมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นพญานาคนี่ก็เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานี่มายาวนานนะแล้วก็จะเห็นตามวัดต่างๆโบสถ์วิหารคุาราหรือว่าต่างๆก็เกี่ยวข้องมี าการสลักเป็นรูปพญานาคกันอยู่มากมายนะแล้วก็จริงๆแล้วก็มีครูบาอาจารย์หลายองค์นะก็พูดในเรื่องพญานาคนี่แหละได้ไปสัมผัสมาไปเที่ยวเมืองพญานาคมาก็มีนะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งแล้วมาก็เคยพบพระอาจารย์องค์หนึ่งซึ่งท่านก็มีประวัติในการพบพญานาคมาก็เคยคุยกับท่านแล้วก็อัดเทปไปด้วยท่านก็เล่า <c oughs> เล่าหลายๆอย่าง <c oughs> าเกี่ยวกับพญานาคนี่ท่านก็พบเห็นมา ต่างๆได้เห็ น, นาตาเลย <c oughs> แล้วก็แสดงอะไรหลายอย่างให้เห็นเป็นเวลานานสมควรท่านก็เล่าอยู่ยาวเลยนะยาวอยู่ก็ดีใจเออได้อัดเทปมาแต่พอหลังนะั้นปรากฏว่ามาเปิดเทปดูช่วงที่ท่านเล่าเกี่ยวกับพญานาคเนี่หายไปเลยนะแต่ก่อนหน้านั้นกับหลังนะี่ยังอยู่ครบเลยแต่ช่วงที่พญานาคทาไมหายไปเลยก็ยังแปลกใจอเออหายไปได้ยังไงทั้งๆีงนเทปก็ยังอัด อ, อยู่กับเก่านั่นแหละ ท่านคงไม่อยากจะให้เปิดเผยในตรงนั้นนะแต่ครูบาอาจารย์ก็มีไปพบกันมาหลายองค์นะเคยประวัติให้ก็มีอยู่นะที่หลวงปู่คาคนิงจุลมลณีหรือครูบาอาจารย์ต่างๆที่อยู่แถวริมน้ําโขงนั่นแหละะบางแห่งก็ปรากฏร่องรอยเพรนาคให้เห็นหรือแม้แต่ตามประวัติก็เล่าว่าก่อนที่จะมีบังไปไปพญายนาคในี่บางทีก็จะเจอคนตึ่งแปลกๆนะอแต่งกายแปลกๆมาขอซื้อบางอย่างซึ่งอาจจะไปทําเป็นเกี่ยวกับ ที่จะอาจจะไปทำเป็นบางไฟขึ้นมาได้เนี่ยมาขอซื้อไปะคนก็สงสัยเป็นไงมั่งก็ไปตามแอบดูก็ปรากฏว่าไปเดินไปอยู่ริมแม่น้ําโขงแล้วก็าหายไปหมดเลยนั้นก็เป็นเรื่องแปลกๆอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เมื่อสักไม่นานหลายปีมาแล้วล่ะก็มีฝรั่งคนนึงอยากจะพิสูจน์เรื่องนี้ว่าเป็นไปได้จริงไหมพอถึงวันวันเนี่ยวันออกบรรษานี่ก็เลย จ้างเรือไปที่กลางลาน้ําโขงแล้วก็ใส่ชุดประดาน้ําแล้วก็ดําลงไปในน้าไปดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นพอหลังนั้นก็เลยรีบขึ้นมาจากแม่น้ําโขงแล้วก็อ่าออกมาคนกระถามว่าเจออะไรก็หลังนี้ก็ไม่ตอบอะไรเลยแต่หน้าตา ก, ก็ตื่นตะลึงแล้วก็รีบเดินทางกลับกรุงเทพทันทีแล้วเดินทางกลับประเทศตัวเองทันทีโดยที่ไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วก็เคยมีเพื่อนคนหนึ่งก็เคยเล่าให้ฟังเพราะเขาเป็นรปภก็คือหน่วยปฏิบัติการอ่า รูไปน้ําโขงก็คอยขับเรือนั่งเรือตะเวนไปตามลําน้ําโขงนี่แหละก็ะบอกว่าเห็นบั้งไฟพญานะคขึ้นมาจากลำน้ำโขงจริงๆใกล้ๆเรือนั่นแหละเห็นเป็นลูกไฟขึ้นมาเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกอยู่เหมือนกันนะเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เออมันถ้าเป็ น, นเรื่องเรื่องจริงก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาได้จริงๆเพราะว่ายังไม่มีอ่าศาสนาใดที่แสดงได้ชัดเจนเช่นแบบนี้ะ ครั้นี้พอหลังจากที่เราออกพรรษาแล้วเนี่ยก็จะมีงานบุญต่างๆตามมาที่สําคัญก็คืองานท่อหินงานท่อ ถ, ถินนี่จริงๆแล้วเกิดจากแบบนี้ว่าในสมัยพุทธกาลก็มีพระภิกษุชาวเมืองปาลาไทยรัตน์จำนวนสามสิบรูปได้เดินทางไปเฝ้าพระเจ้าก่อนที่จะเข้าบรรษาแต่ครั้นี้ก่อนที่จะไปถึงที่จะไปเฝ้าพระเจ้านั่นแหละก็เพลินมีฝนตกอย่างหนัก ก็เลยไปติดอยู่ที่เมืองสาเกตก็เลยทำให้ไปเข้าบรรษาที่กับพรุทธเจ้าไม่ทันก็ติดโปนอยู่เป็นเวลาสามเดือนเมื่อออกพรรษาแล้วก็เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้ า, าครัน้นี้เมื่อไปทาง้านนู่นแล้วก็ปรากฏว่านางวิสาขาก็เห็นว่าจีวรของพระภิกษุหลารูปเนี่ยขาดแล้วก็เก่าแล้วก็ขาดวิ่น บางองค์ก็เปื่อยไปก็มีนะนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็เลยไปขออนุญาตพระเจ้าในการที่จะถวายจีวรให้กับพระภิกษุสงฆ์ซึ่งจีวรขาดไปพระเจ้าก็เลยประทานอนุญาตนะก็เลยเป็นผู้อนุญาตในการถวายกรถิ่นขึ้นมานะเพราะในการถวายกรถิ่นนี้ก็จึงมีอานิสงส์มากนะเพราะประการแรกนี่ก็เป็น พุทธอนุ ญ, ญาตของผู้เจ้าโดยตรงประการที่สองก็เป็นการทานก็จะทําการทาอดทินได้เพียงภายในหนึ่งเดือนหลังออบัรสา่าเท่านั้นแล้วก็จะทอดได้เพียงครั้งเดียวก็คือวันวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบอ็ดจนถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองซึ่งเป็นวันลอยกระทงนี่เป็นวันสุดท้ายเป็นเวลาหนึ่งเดือนเท่านั้นแล้วประการต่อมาก็คือเป็นสังฆทานเพราะว่าการถวายนี้ ไม่ได้จำเพาะเจาะจงที่จะถวายให้กับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแต่เป็นการถวายลงไปใน่ามกลางสงฆ์แล้วสงฆ์ก็จะพิจารณากันเองว่าเหมาะสำหรับผู้ใดที่จะรับภากถินนั้นเพราะนั้นก็จะเป็นการถวายเป็นสังฆทานครั้นี้การถวายกรถิญ น, นั้นถ้าเกี่ยวกับสงฆ์แล้วก็ถือว่าเป็นงานใหญ่เป็นบุญใหญ่เพราะว่าเป็นความสามัคคีของวัดนั้นทั้งหมด เพราะการถวายในสมัยนั้นไม่ได้ถวายเป็นชุดแบบนี้แต่ว่าเป็นการถวายเป็นผ้าเป็นผ้ามาเพื่อที่จะให้สงเนี่ยนําไปอตัดเย็บอ่าเป็นจีวรหรือเป็นสังัติหรือเป็นสบงอชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะเพื่อที่จะนําผ้านั้น่มาการกถินกันเพราะนั้นก็เป็นงานใหญ่ <c oughs> ที่พระจะต้องช่วยกัน <c oughs> หรือที่บางทีหนั ก, กวันนั้นก็คือเขาเรียกว่า เามหาจุลาถิน่นะก็จะมีการนะ ท, อทอผ้ากันในวันนั้นด้วยนะนะมีการนะทำเป็นทอผ้ากันอีกปั่นฝะ้ายท อ, ทอผ้ากันเป็นงานใหญนะ่แต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ถึงกับเป็นแบบนั้นแล้วนะก็เป็นผ้าขาวมานะอันนี้ถ้าเป็นวัดป่าในสายธรรมยุทธนะหลายๆวัดนี้ก็ยังทาอันนี้กันอยูนะ่ก็จะมีการถวายเป็นผ้าขาวกันมา แล้วก็พระก็ต้องมาช่วยกันตัดนะตัดแล้วก็มาเย็บกันช่วยกันยอมแล้วก็นําไปตากแล้วพอพอผ้าผ้าแห้งแล้วเนี่ยก็จะนํามาในช่วงเย็นนะก็นํามาทําพิธีการกระถินกั น, นะอะไรการกรถินก็เป็นอันเสรพิธีเพราะนั้นวันท้อกระถิ่นนี้ก็คือวันที่พระเนี่ยจะต้องมาช่วยกันในตรงนี้นะเพื่อให้งานทุกอย่างเรียบร้อยไปก็เลยมีอานิสงส์มากนะก็ได้รับอานิสงส์ทั้งโยมและทั้งพระ ภาคก็มีในสงฆ์ต่างๆที่จะไม่ต้องมีอ่าสังขาติที่จะติดตัวไปตลอดเวลาเป็นเวลาสี่เดือนได้นี่เป็นอในสงฆ์ของกระถิ่นเนี่ยก็สิ่งเหล่าเนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่หลังจากพรรษ า, าแล้วก็จะมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะคราวนี้เราจะเห็นประเด็นหนึ่งว่า <c oughs> เออพญานาคเนี่ยมาบวชเนี่ยอยากจะบวชจริงๆนะก็เลยมาปลอมไปมานกหนุ่มเนี่ยแต่บวชไม่ได้ อันนี้ก็ตอนหลังนี่ก็เลยว่าอผู้ที่จะบวชพระเนี่ยเพื่อให้เป็นเกียรติกับพญานาคที่อยากจะบวชแล้วบวชไม่ได้ก็เลยให้พระเนี่ยเป็นนาคแทนนะก็เลยบอกว่าเออเป็นการบวชตาคไปนะทําขวัญ น, นาคเป็นการบวชนาค ก, ก็เพื่อให้เกียรตินาคเนี่ยว่าเออไม่ได้บวชแล้วแต่ว่ามันก็มีผู้บวชแทนก็แล้วกันนะแล้วทาไมาสัตว์เดรัจฉานเนี่ยถึงอยากจะมาบวชเป็นพระกันนะขนาดเป็นสัตว์เดรัจฉาน แต่ว่ามีฤทธ์นะเป็นเทพด้วยก็อยากอยา ก, กมาบวชเลยแต่ก็บวชไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าการที่จะทําให้ถึงที่สุดแห่งทุกหรือเป็นพาาระอรหันนั้นหรือจะเป็นพระริยาเจ้าขั้นต้นก็แล้วแต่นะก็ทับได้แต่จะเป็นมนุษย์เท่านั้นนะอสัตว์เดชานต่างๆก็ทําไม่ได้หรอกนะเขาไปว่าทำที่จะบรรลุเป็นพระริยเจ้าไม่ได้นะจึงไม่ได้บวชนะแต่ถ้าบรรลุเป็นพระริยาเจ้าได้ก็คงให้บวชอยู่นะเพราะฉะนั้นการที่อ การที่เราจะบรรลุธรรมหรือแม้แต่พระเจ้าที่จะตรัสรู้ก็ต้องมาอยู่ในควบคุมของความเป็นมนุษย์นี่แหละจึงจะสามารถที่จะบรรลุธรรมชั้นสูงได้การที่เราเกิดเป็นมนุษย์นี้จึงเป็นสิ่งที่นะโชคดีที่สุดแล้วนะเพราะว่าความที่เราโชคดีนะหรือว่าลาบันประเสริฐเนี่ยก็มีอยู่สี่อย่างก็คือกิดโชมนุษยสปฏิลาโพคือการเกิดเป็นมนุษย์นะเป็นราบันสูงสุดผูนะ้ที่เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากมากนะ ที่เปรียบมันก็เต่าตาบอดตัวหนึ่งนะร้อยปีก็จะโผล่ขึ้นมาเนื้อมหาสมุสทรสักคางหนึ่งและเนื้อมหาสมุทรก็จะมีล้อแอบเกวียนลอยไปลอยมาตอเมื่อเอาหัวของศิริษะเนี่ยเข้าไปอยู่กลางแอบเกวียนในเมื่อไหลนั่นแหละคือการได้เกิดมนุษย์สักคางหนึ่งซึ่งยากมากเพราะว่ามหาสมุทรนี้ก็กว้างใหญ่นะแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนด้วยะมันก็เป็นสิ่งที่ยากมากอยู่แล้วะแล้วก็มีอีกคางหนึ่งที่พระเจ้าได้ทรง ใช้เล็บช้อนเอาฝุ่นติดปลายเล็บขึ้นมาแล้วก็ถามภิกษุทั้งหลายว่าดูกรภิกษุทั้งหลายฝุ่นที่ติดปลายเล็บของเรากับฝุ่นในมหาปฐพีอย่างไนายามากกว่ากันภิกษุก็ตอบว่าฝุ่นที่ติดปลายเล็บของพระองค์ที่ไม่ได้กับฝุ่นในมหาปฐพีเลยพระเจ้าก็ทรงบอกตัดว่าชั้นใดก็ชั้นนั้นผู้ที่ตายจะกำเนิดต่างๆที่จะกลับมาเกิดปมนุษย์นั้นน้อยเท่ากับฝุ่นที่ติดปลายเล็บของเราเท่านั้นส่วนที่ไปเกิดในกำเนิด อ, อื่นๆนั้นมีมากมายเหมือนฝุ่นในมหาปฐพี นะการนี้กำเนิดในกําเนิดอื่นก็หมายความอีกสามสิบภูมินะมีสามสิบเอ็ดภูมิเนะี่ยแต่ว่ามนุษย์ก็ภูมิเดียวแต่ที่เหลืออีกสามสิบภูมินี้ก็คือไปเกิดในกําเนิดต่างๆเยอะแยะนะเพราะฉะนนั้การเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่ยากมากนะเป็นผู้ที่ต้องมีบุญมากถึงจะมาเกิดด้วยนะครันนี้เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีชีวิตรอดอยู่นะเพราะฉนั้นที่เราอยู่ทุกวันนี้ก็ถือว่าเราโชคดีแล้วนะคนที่ตายก่อนเราทั้งเกิดก่อนและเกิดหลังเนี่ยมีมากมายนะแต่เราก็ยัง อมันนั่งอยู่นี่ได้นะมีร่างกายแข็งแรงมีสติมีปัญญาดีนะถ้าเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยแม้แต่เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นโรคภัยไข้เจ็บแม้แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเราจะรู้สึกว่าเราเออมันโชคร้ายจังเลยนะเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะเพราะฉะนั้นความเป็นปกตินี่แหละก็คือลาบันสูงสุดแล้วอย่างที่ว่านะออรโลขยาปัลมารากพาความไม่มีโรคเป็นราบันสูงสุด ครั้นี้เมื่อเกิดมาเป็นรูปและมีชีวิตรอดอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้พบภู ษ, ษณาณะนะภูษานานี่จริงๆแล้วพบยากนะไม่พบไม่ง่ายเพราะว่าการที่เกิดของพุทธเจ้าแต่ละองค์นี่เป็นเรื่องที่ยาวนานต้องใช้เวลาสร้างาบา ร, รมีกันมายาวนานนะแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าศรัทธาหรือปัญญาจริตของแต่ละองค์นี่ท่านสร้างมาในแนวไหนนะครัน้นี้ของสมัยเราเก็ใช้เวลา พระพุทธเจ้าใช้เวลาสร้างบารมีถึงเสงียสงไขกับแสนมหากั ძ นะแล้วแต่ละกับนี่ก็เป็นอย่างไรนะยาวขนาดไหนก็เปรียบเทียบกันว่าหินแท่งทึบนะมีความกว้างหนึ่งโยชน์ยาวหนึ่งโยชน์สูงหนึ่งโยชน์นี่แล้วก็ร้อยปีก็จะมีนางฟ้านำาผ้าแผ่ที่มีความละเอียดอามารูปสักครั้งหนึ่งนะจนหินแท่งทึบนั้นล่าเป็นหน้ากองนั่นแหละก็คือกับหนึ่ง นะก็ดูได้ว่ายาวนานขนาดไหนนะเพราะฉะนนั้นการเกิดของผู้เจ้านี้แต่ละองค์ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครั้งนี้มาเลยพบผู้สานาะแล้วก็คือได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้เข้าใจธรรมนั้นอันประเสริฐนั้นนะเพราะฉะนั้นอ่นะถ้าผู้ใดทําไ ด, ได้ได้ครบสี่อย่างนี้นะก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญอันสูงสุดนะเป็นผู้ที่อ่านะได้ลาบอันสูงสุดในโลกแล้วนะตรงนี้นะเราต้องมาพิจารณาดูว่าเราได้ประสบเหล่านี้ไหม นะจริงๆแล้วในพวกเราถือว่าเราได้ประสบสิกเราได้ได้ครบถ้วนแล้วอยู่ที่ว่าเรานะอออืาจะเข้ามาในตรงนี้ได้เนอะ่อย่างเต็มตัวไหมเหมืนะ่อตอนเนี้จะมีรถไฟขบวนสุดท้ายแล้วรถด่วนขบวนสุดท้ายมันก็รอเราอยู่ให้เราขึ้นไปนะรถด่วนขันนี้ไม่ใช่ว่ า, าวิ่งอยู่ประจำทุกวันแต่ว่านานมากค่อยวิ่งมาสักครั้งหนึ่งนะ อาจจะเป็นเวลาเป็นหมื่นเป็นแสนปีกี่พบกี่ชาติก็ไม่รู้ว่ารถ ด, ด่วนคันนี้จะวิ่งมารับเราสักครั้งหนึ่งแล้วรถคันนี้ก็จะพร้อมที่จะออกอยู่ตลอดเวลานะอยู่ที่ว่าเราจะขึ้นไหมนะถ้าเรามวัวแต่เพลิดเพลินไปในการมาคุณต่างๆมัวชมดอกไม้ชมนกชมไม้ชมบึงชมวิวไปเรื่อยๆชมความสวยความงามความศิวิไลของวัตถุทั้งหลายแหลของอารมณ์ทั้งหลาย เราก็ไม่มีโอกาสที่ได้ขึ้นรถคันนี้ได้ทันนะเพราะความเพลิดเพลินไปในลมต่างๆมันทําเราไปไปติดมีความคล้องความติดในลมต่างๆเขาเรียกว่าเราเพลินไปในรมต่างๆการที่เพลินไปลมต่างๆมันออกจากทุกไม่ได้นะอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตัดไว้แล้วว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายผู้ใดอที่เพลิดเพลินไปในรูปเพลิดเพลินไปในรถเพลิดเพลินไปในกลิ่นเพลิดเพลินไป ในสัมผัสเพลิดเพลินในความนึกคิดหรือรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะทมอารมเรากล่าวว่าผู้นั้นเพลิดเพลินอยู่ในความทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินในความทุกข์ผู้นั้นเจาะจากความทุกข์ไม่ได้เลยแล้วก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ที่ไม่เพลิดเพลินไปในรูปรสกลิ่นเสียงผดทพะทมอารมผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินไปในความทุกข์ ผู้ใดที่ไม่เพลิดเพลิไปในความทุกข์ผู้นั้นจักพ้นจากความทุกข์ได้เนี่ยเพราะว่าเออผู้ที่เพลิดเพลิน อ, อยู่นั่นแหละมันก็เลยไหลติดนะไปในวัตถุบ้างอไปในอารมณ์ต่างๆบ้างอันนี้เขาเรียกว่าเราเที่ยวชมดอกไม้นะเที่ยวชมบ้านชมเมืองเที่ยวชมภูเขาเที่ยวชมลําน้ําเราไม่เห็นเราก็รถ ด, ด่วนมันรอเราอยู่แล้วมันก็จะออกอยู่แล้วนะเพียงแต่เราไปขึ้นรถ ด, ด่วนขบวนสุดท้ายนี่เท่านั้นนะ แล้วเราก็จะไปถึงเป้าหมายก็คือพระนิพพานได้อยู่ที่ว่าเราจะขึ้นไหมแต่ว่ารถด่วนคันนี้เขาก็มีตั๋วขายนะตัวก็คืออะไรตัวก็คือให้เราเห็นความจริงในอรลยสัตว์ทั้งสี่นั่นเองก็คือให้เห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์นิโรธก็คือความดับทุกข์ทุกข์นขนิโรธคาเมในปฏิปทาก็คือหนทางกา ร, รบรรลุเพื่อความค้นทุกข์อันได้แก่มรรคมีองค์แปดเนี่ยเราได้ ตีตัวนี้หรื อ, อยังนะถ้าเรายังไม่ตีตัวก็ขอให้รีบตีตัวแล้วก็ขึ้นรถ ด, ด่วนพร้อมกันนะเพื่อเราได้ถึงความผลทุกได้พร้อมกันในชาตินี้นะก็ขอทุกท่านถึงเึ่งความพุทธได้ในชาตินี้ทุกท่านเธิ